ความเป็นมาของพระไตรปิฎกโดยศาสตราจารย์พิเศษสเสถทียนพง์วันณปกขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ลานธรรมจักรพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนาดุดเดียวกับคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์คัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามและไตรเพศของศาสนาพราหมณ์ตามรูปศัพท์คำว่าพระไตรปิฎกบาลีว่า ติปิตะกะหรือติปิตกังหรือเตปิตะกะหรือเตปิตกังมาจากพระคือคำยกย่องแปลว่าประเสริฐบวกไตรที่แปลว่าสามบวกปิดกรวมแล้วแปลว่าปิดกสามอันประเสริฐเฉพาะคำว่าปิดกซึ่งบาลีว่าปิตะกะงหรือปิตะกะพระอัตกฐกะถาจารย์ได้ให้ความหมายไว้สองประการ คือปิดกหมายถึงคำพีหรือตำราและปิดกหมายถึงภาชนะเช่นตะกรา้าดังนั้นพระไตรปิดกจึงหมายถึงคำพีหรือตำราที่บรรจุคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกสำคัญบางรูปรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ดุดเดียวกับตะกรา้าอันเป็นภาชนะสำหรับใส่รวมของต่างๆไว้ปิดกทั้งสามคือ 1. พระวินัยปิดกว่าด้วยวินัยหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ 2. พระสุตตันตปิดกว่าด้วยพระสูตรหรือเทศนาที่ตรัสแก่บุคคลต่างๆในเวลาและสถานที่แตกต่างกันเป็นรูปคาสนทนาโต้ตอบบ้าง คำบรรยายธรรมะบ้างเป็นรูปร้อยกรองบ้างร้อยแก้วบ้างร้อยแก้วผสมร้อยกรองบ้างตลอดถึงเทศนาของพระสาวกสาคัญบางรูป 3. พระอภิธรรมปิดกว่าด้วยหลักธรรมะต่างๆที่อธิบายในแง่วิชาการล้วนๆไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ส่วนมากเป็นคำสอนด้านจิตวิทยา และอภิปรัชญาในพระพุทธศาสนาการจัดรูปแบบพุทธวจนะในสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นหลักธรรมคำสอนต่างๆของพระองค์ยังไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่หรือเป็นระเบียบแบบแผนแต่อย่างใดยังไม่มีพระไตรปิฎกบันทึกคำสอนดังที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน พุทธวจนะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกกันสมัยนั้นสองอย่างคือหนึ่งเรียกปรมจริยาหรือปรมาจันดังพุทธวจนะที่ตรัสเมื่อครั้งทรงส่งพระอรหันตสาวกห0สรูปไปเผยแผ่พระศาสนาครั้งแรกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พระหูชนเพื่อความสุขแก่พระหูชน เพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิสษุ์ทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง 2. เรียกธรรมวินัย ดังพุทธวจนะที่ตรัสแก่พระอานนท์พุทธานุชาก่อนเสด็จดับขันธ์บรลินิพานว่าดูก่อนอานนท์ทมและวินัยใดที่เราตถาคตแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราตถาคตล่วงลับไปแล้ว มีหลักฐานบางประการบ่งชี้ว่าได้มีการแบ่งพุทธวจนะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบ้างแล้วเช่นแบ่งเป็นนวังคสัตวุศาสตร์สัตุศาสตร์ก้าประการคือหนึ่งสุดตะคำสอนประเภทร้อยแก้วล้วนอธถกถาอธิบายว่าได้แก่อุพัโตวิพังหมายถึงปาติโมกทั้งสองฝ่าย และได้แก่คันธ ก, กะบริวานินเทศและพระสูตรในสุตตนิบาตรวมทั้งสูตรอื่นๆที่ไม่มีชื่อกำกับว่าสูตรด้วย 2. เคยะคำสอนประเภทร้อยแก้วผสมร้อยกรองหมายเอาพระสูตรที่มีคถาทั้งหมดโดยเฉพาะสาักขวัรคสังยุตตนิกายสาม เวยยกรณะคำสอนประเภทที่เป็นอธิบายโดยละเอียดเป็นร้อยแก้วล้ว น, นเช่นอภิธรรมปิดกประสูรที่ไม่มีคาถาและพระพุทธพจน์อื่นที่ไม่นับเข้าในองค์8ดข้อที่เหลือ 4. ขคาถาคำสอนประเภทร้อยกรองล้วนเช่นธรรมบทเทระคาถาเท ร, รีคาถาและคาถาล้วน ในสุตตานิบาตที่ไม่มีชื่อกำกับว่าสูตร 5. อุทานคำสอนประเภทที่เปล่งขึ้นจากแรงบันดาลใจของพระพุทธเจ้าและพระสาวกส่วนมากจะเป็นบทร้อยกรอง 6. อิติมุตตะคำสอนประเภทคำอ้างอิงที่ยกข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ มาอ้างเป็นตอนตอนได้แก่พระสูตรสั้นๆหนึ่งร้สิบสูตรที่ขึ้นต้นด้วยว่าวุตตังเหตตังภควตาเจ็ดชาตกะหรือชาดกคำสอนประเภทนิทานชาดกหรือเรื่องราวในชาติปางก่อนของพระพุทธเจ้าขณะเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่แปด พระพุทธธรรมคำสอนประเภทเรื่องอัศจริงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเช่นพระพุทธองค์สมัยอยู่ในพระคันพระนางสิริมหามายานั่งสมาธิผินพระภักออกมาทางด้านหน้าพระอุทธรไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินคันเหมือนทารกธรรมดาทั่วไปนี้เป็นเรื่องอัศจริงเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์เป็นต้น เเวทัลละคำสอนประเภทคำถามคำตอบเวทัลละแปล ว, ว่าได้ความรู้ความปลื้มใจหมายถึงผู้ถามได้ความรู้และความปลื้มใจแล้วก็ถามต่อไปเรื่อยๆการแบ่งพุทธวจนะเป็น9ก้าหมวดนี้มีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนที่จะมีพระไตรปิฎก เป็นการจัดรูปแบบหรือการแบ่งหมวดหมู่ที่เก่าแก่มาเท่าที่มีหลักฐานปรากฏการแบ่งแบบที่สองแบ่งเป็นวรคนอกจากแบ่งเป็นนาวังข้าัตรูศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นแล้วมีขาววิสอให้เห็นว่าพระพุทธวจนะได้ถูกรวบรวมเป็นวัคแล้ว ส่วนจะมีกี่วักนั้นสืบไม่ได้มีหลักฐานอยู่แห่งเดียวคือในพระวินัยปิดกเล่าไว้ว่าพระโสนกุติกันนะลัทธิวิหาริกของพระมหากจัจจยนะถูกพระอุปชายยะส่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขอให้พระองค์ทรงลดหย่อนสิกขาบทบางข้อพระโสนกุติกันนะพักอยู่ที่เดียวกับพระพุทธเจ้า ได้สวดพระพุทธวจนะส่วนที่เรียกว่าอัตกะวักโดยทำนองสารพัญญะให้พระพุทธเจ้าฟังอัตกะวักที่ว่านี้มีบันทึกอยู่ในคุตกะนิกายสุตตะนิบาทเป็นสูตรสั้นๆรวม16สูตรการแบ่งแบบที่สามแบ่งเป็นหมวดหนึ่งถึงหมวดสิบ ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุสงฆ์จบแล้วครั้งทรงเห็นว่าพวกเธอยังมีฉันทะจะฟังธรรมะต่อจึงมีพุทธบัญชาให้พระสารีบุตรอครสาวกแสดงธรรมให้พวกเธอฟังต่อพระสารีบุตรเทระได้ปรารภเหตุที่พวกนิครนคือพระในศาสนาเชนสาวกของมหาวีระหรือนิครนธนตบุตร พวกนิครนแตกแยกความคิดเห็นกันรุนแรงหลังจากศาสดาของพวกตนล่วงลับไปไม่นานพระเทระชี้ว่าเพราะเหตุที่ศาสดาหมหาวีระไม่ได้รวบรวมคำสอนไว้เป็นหมวดหมู่จึงทำให้สาวกถกเถียงกันไม่ลงรอยกันจึงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายสังคยนาคือรวบรวมรรมวิิไยไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ปรมาจัน ดำรงอยู่ยืนนานสืบไปธรรมะทั้งสิบหมวดนี้มีปรากฏอยู่ในสังคีติสูตรระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบเอ็ด